พระบรมศา ส, สดาได้ทรงแสดงเอาไว้ถึงอานิสงสผลของผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานว่าจะได้บรรลุอัญญาคือพระอรหัตตผลหรือมิชนั้นก็ความเป็นอนาคามี เป็นนิทัศนะในเบื้องสูงในเมื่อปฏิบัติในสมบูรณ์สุดแต่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะเป็นบุคคลประเภทใดคือเป็นผู้รู้เร็วรู้ช้ารู้ปานกลางเป็นต้นจึงยกไว้เป็นนิทัศนะ ก็เจ็ดปีจนถึงเจ็ดวันก็เป็นนิทัศนะคือตัวอย่างอันแสดงว่าการปฏิบัตินั้นต้องได้รับผลไม่เร็วก็ช้าและแม้จะช้ากว่านั้นเมื่อปฏิบัติไปโดยลำดับไม่ละเว้นก็ย่อมจะ มันลุเข้าได้สักวันหนึ่งในปัจจุบันพบไม่ได้ก่อนในอนาคตแตพบการปฏิบัติย่อมเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นอินทรีย์เป็นบารมีที่เป็นพื้นและ ปฏิบัติเพิ่มเติมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จึงประกอบโดยหลักปฏิบัติเป็นอันมากซึ่งผู้ปฏิบัติยกเอาเพียงข้อใดข้อหนึ่งขึ้นปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปทุกๆข้อก็ยอมประมวลเข้ามา เพราะเป็นทางปฏิบัติอันเดียวข้อสำคัญนั้นคือต้องมีความเพียรไม่หยุดทำไปโดยลำดับน้อยหรือมากก็าตามทุกๆวันมีสัมปชัญ ญ, ญะมีสติและคอยกำจัดความยินดียินร้ายในโลกไปโดยลำดับ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 ให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันปัญญานั้นคู่กันกับคำว่าสติตามที่พ ร, ร, ระบรมศาสดา ได้ทรงแสดงเอาไว้ในที่บางแห่งฉะนั้นจึงควรศึกษาทำความเข้าใจในคำวัสติ และคำว่าปัญญาสตินั้นคือความระลึกได้ปัญญานั้นคือความรู้ทั่วถึง สติได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนเอาไว้ให้ระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้อันนับว่าเป็นสติคือความระลึกได้ทั่วไป และได้มีระพุทธภาติต ร, สรัสสอนเอาไว้ให้ระลึกกำหนดในกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นสติปัะฐานทั้งสี่ กับได้ตรัสสอนให้ระลึกถึงพระพุทธประธรรมประสงค์อันเรียกว่าพุทธานุสติธรร ม, มานุสติ สังขารนุสติเป็นต้นซึ่งใช้คำว่าอนุสติแปลว่าระลึกตามไปหรือว่าตามระลึกสติเหล่านี้ นับเข้าในคำว่าสัมมาสติระลึกชอบและเมื่อตรงกันข้ามคือระลึกไปในทางผิดต่างๆก็เรียกว่ามิจฉาสติระลึกผิดเพราะว่า แม้ในทางที่ผิดต่างๆนั้นก็ระลึกไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นวิชาสติระลึกผิดสตินี้ยังมีธรรมะที่คู่กันโดยตรง ก็คือสัมปชัญญะที่ท่านแปลว่าความรู้ตัวสติและสัมปชัญญะนี้เมื่อมาคู่กันสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัว เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะทำให้เข้าใจว่าทั้งสองนี้ต้องมีประกอบกันอยู่ในการปฏิบัติทุกขณะทุกอย่าง คือจะต้องมีทั้งระลึกคือตัวกําหนดจะต้องมีทั้งความรู้ตัวคือจะต้องมีทั้งระลึกทั้งรู้เมื่อเป็นดังนี้ จึงจะเป็นสติที่สมบูรณ์และจึงจะเป็นสัมปัชญะญญที่สมบูรณ์ถ้าขาดระลึกก็ย่อมจะไม่รู้ต้องระลึกจึงจะรู้และรู้ที่ มาคู่กันกันกับระลึกนี้ก็เป็นรู้ที่เป็นสัมปชัญญะอีกอย่างหนึ่งถ้าขาดรู้ก็เป็นระลึกไม่ได้ต้องมีรู้ จึงจะเป็นระลึกได้ฉะนั้นก็เป็นอันว่าสติและสัมปชัญญะในทางปฏิบัติต้องมีอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะแยกเรียกกัน ว่าสติคาเดียวก็ต้องหมายถึงสัมปัญญะด้วยจะยแยกจะเรียกแยกกันว่าสัมปัญญะคําเดียวก็ต้องหมายถึงสติด้วยยกตัวอย่างเช่นลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก ซึ่งทุกคนก็หายใจกันอยู่ทุกเวลาแต่ว่าเมื่อไม่ระลึกถึงก็ไม่รู้ว่าเราให้ใจเข้ารเราให้ใจออกแต่เมื่อระลึกถึงคือกำหนด อยู่ที่ลมหายใจก็ยำรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกอาการที่กำหนดนี่แหละคือสติและอาการที่รู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนี่คือสัมปชัญญะคือรู้ตัวฉะนั้น เมื่อกำหนดอยู่ที่ตัวก็รู้ตัวเป็นอันว่าจะเป็นสติเป็นสัมมชัญญาขึ้นมาได้นั้นต้องกำหนดอยู่ที่ตัวไม่ทิ้งตัวและเมื่อกำหนดก็เป็นสติรู้ ตัวก็เป็นสัมปชัญญะแม้ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต่างๆก็เช่นเดียวกันเมื่อสติกำหนดอยู่ที่อิริยาบถก็ยอมจะรู้ตัวว่าเรากำลังเดิน เรากำลังยืนเรากำลังนั่งเรากำลังนอนดังนี้เป็นต้นสติกำหนดอยู่ที่ตัวให้รู้ตัวนี้เป็นสติที่สมบูรณ์คือมีความหมายเต็มของคำว่าสติและแม้ว่าจะแยกเลือก จำเพาะสัมปัญญาอย่างในสัมปัญญาปปะก้าวไปข้างหน้าก็รู้ว่าเราเก้าไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังก็รู้ว่าเราถอยไปข้างหลังเป็นต้นที่ท่านเรียกว่าเป็นสัมปัญญาปปะข้อวาดิสัมปัญญะแต่ก็จะต้องมีสติกําหนดอยู่ที่อิริยาบถ จึงจะมีสัมปัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบทแม้ในข้ออื่นเหมือนกันก็จะต้องมีทั้งสองนี้คู่กันไปดังที่กล่าวมานั่นและคำว่าสตินี่ก็ต่างจากคำว่าสัญญา แม้ว่าสติคือความระลึกได้จะมีความหมายว่าจำได้ระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้ก็คือจำการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้สัญญานั้นสัญญาณในขันท่า รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นความจำได้หมายรู้แต่ว่าเป็นความจำได้หมายรู้ที่เป็นเรื่องของขันส่วนสตินั่นเป็นความจำที่ เป็นธรรมปฏิบัติซึ่งจะทำให้ระลึกได้มากยิ่งไปกว่าสัญญาคือความจำที่เป็นขันธ์นี้มากมายนัก ทางที่แสดงไว้ในพริยานของพระพุทธเจ้าอันมังเกิดขึ้นในราตรีที่ตรัสรู้ว่าในปฐมยมัมทรงได้ปุเพนิวาสานุสติญาณ ยานความอย่างรู้ที่เป็นเหตุให้ทรงได้อนุสติคือตามระลึกถึงขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ ดังที่เรียกว่าระลึกชาติผลหลังได้ในมัชฌิมยามทรงได้จูปุจูตูปปาตยานยานคือความอย่างรู้ในความจุติคือความเคลื่อนและอุปบัติคือความเข้าถึงพบชาตินั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมในปัจคิมยามทรงได้อาสวกขยานยา น, ยานอันเป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองกิตตสันดานจึงได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าพระภูตัดสรู้เองโดยชอบดังนี้เพราะฉะนั้นอนุสติคือความระลึกตามที่ทรงได้ ในปฐมยามแห่งตราตรีนั่นอันเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาติจึงเป็นสติคือความ ล, ลึกได้ที่ยาวไกลและเป็นอย่างยิ่งมากกว่าสัญญาคือความกำหนดหมายหรือจำได้หมายรู้ อันเป็นเรื่องของขันทั่วทั่วไปสัญญาคือความจำได้หมายรู้อันเป็นเรื่องของขันห้านั้นก็เป็นเรื่องของกายใจซึ่งเป็นตัววิบากขัน ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมะหรือไม่ปฏิบัติธรรมะก็ย่อมจะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมาตั้งแต่เกิดด้วยกันอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้าง ฉันมีสัญญาดีมีสัญญาไม่ดีก็เช่นเดียวกับร่างกายที่เป็นส่วนรูปก็มีแข็งแรงไม่แข็งแรงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับเหมือนอย่างรูปประขันคือกองรูป และก็มีกองรูปเป็นส่วนสำคัญอยู่ด้วยดังจะพึงเห็นได้ว่าในเมื่อรูปประขันคือกองรูปเจริญเห็นกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวสัญญาคือความจำก็ว่องไว จำอะไรได้ง่ายแต่เมื่อรูปประขันไม่แข็งแรงแม้จะอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ตามหรือว่าเป็นโรคบางอย่างเกี่ยวแก่ ร่างกายบางส่วนอันสัมพันธ์กับสัญญาความจําก็ทําให้สัญญาคือความจํานั้นไม่ดีเช่นกระทบกระเทือนที่ศีรษะมากพระอุบัติเหตุบางอย่างก็ทําให้สัญญาคือความจํานั้นไม่ดี ต้องลืมไปหมดในบางครั้งบางคราวดังนี้ก็มีและเมื่ออายุมากเขา้ามากเขา้าสัญญาคือความจำก็เสื่อมลงไปมักจะจำได้ในเรื่องเก่า ที่เคยจับไม่ได้ตั้งแต่เมื่ อ, อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายยังแข็งแรงแต่เรื่องใหม่ๆไม่จาคนแก่ก็มักจะเป็นดังนั้นสัญญาจึงเกี่ยวแกรูปประขันหรือร่างกายส่วนนามาทำอื่นๆก็เช่นเดียวกันมักจะเกี่ยวเนื่องอยู่กับ รูปขันคือร่างกายก็เป็นอันว่าต้องประกอบกันอยู่ดังนี้เป็นส่วนของขันแต่ว่าสติคือความระลึกได้ซึ่งเป็นความจำนี่เป็นธรรมปฏิบัติที่เมื่อปฏิบัติรมสติอยู่เสมอแล้ว ก็จะทำให้สติคือความระลึกได้นี้ดีและไม่เกี่ยวกัออายุมากอายุน้อยเมื่อปฏิบัติทำสติอยู่อายุมากขึ้นสติคือความระลึกได้ก็ยังคงดีแต่ก็ต้องอาศัยร่างกายเหมือนกัน ถ้าร่างกายพิกลพิการไปมากก็อะทำให้ความลึกซึ่งเป็นตัวสตินี้ปรากฏยากหรือหยุดชะ ง, งักไปได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปตามธรรมดาสามัญแล้วแม้อายุมากเมื่อหัดปฏิบัติทมสติอยู่เสมอสติคือความลึกได้ก็ยังจะคงดี และความระลึกได้ถึงเป็นตัวสตินี้เมื่ออาศัยการปฏิบัติทำสมาธิให้ดีขึ้นด้วยคือเมื่อจิตได้สมา ที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นย่อมจะทำให้สติคือความลึกได้นี้หากว่าเมื่อ น, น้อมจิตที่ เป็นสมาธินี้ไปเป็นอนุสติคือระลึกตามหรือตามระลึกก็ย่อมจะนึกขึ้นมาได้ถึงอดีตในภพชาตินี้ตลอดจนถึงข้ามภพชาติ ดังที่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนจะตรัสรู้หรือเมื่อใกล้ที่จะตรัสรู้เป็นปุเพนิวาส า, านุสติญาณเป็นอนุสติคือตามระลึกได้จนถึงข้ามพบข้ามชาติไปในอดีตเป็นอันมาก ตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆของชาตินั้นๆตามกำลังของสติที่จะระลึกได้มากหรือน้อยเพียงใดทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อ ยังเป็นภูมิมีกิเลสอยู่ก็ยังต้องเกิดอีกเมื่อสิ้นกิเลสก็ไม่ต้องเกิดขณะเมื่อมีกิเลสยังไปเกิดอีกนั่นก็มักจะเรียกกันว่าวิญญาณไปเกิดบ้าง จิตไปเกิดบ้างแต่ว่าตามระพุทธภาสิตโดยตรงนั้นสำหรับในปฐมยาณที่ทรงได้ปอเพนิวาสานุสติญาณ น, นั้นในพระบาลีใช้คำว่าเรา เราก็หมายถึงองค์พระพุทธเจา้าเองเมื่อก่อนจะตัดสรู้นั้นว่าเราคือพระองค์ทรงเลึกชาติในหนนหลังได้ว่าเราคือพระองค์เข้าถึงชาตินี้ เคลื่อนจากชาตินี้แล้วก็ไปเข้าถึงชาตินั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแล้วก็เข้าไปถึงชาติโน้น